ื่อยรักบรรดานิทานสีขาวชื่อเรื่องว่าเรื่องดีๆของคาบาโทการละครหนึ่งนานมาแล้วนชนเผ่าโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งมีหัวหน้าชื่อบัปโลนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประชาชนของเผ่าให้อยู่อย่างสงบสุขบับโลูนมีลูกน้องคู่ใจคนหนึ่งชื่อว่าคาบาโทซึ่งเป็นคนหนุ่มที่มักจะมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค า, าโบโทก็จะบอกกับบั๊บบลูนหัวหน้าของตนว่าดีแล้วขอรับท่านหัวหน้าอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งท่านหัวหน้าบั๊บบลูนกําลังปอกผลไม้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีดบาดนิ้วมือเป็นแผลชะกันท่านหัวหน้าบั๊บบลูนจึงร้องบอกค า, าโบโทลูกน้องคนสนิทว่าโอ้ยคาร์โบาโทเอ๋ย ข้าถูกมีดบาดนิ้วเข้าแล้วแผลลึกเสียด้วยดูสิเลือดออกใหญ่เลยคาร์โบโทเข้าไปดูบาดแผลให้หัวหน้าของเขาแล้วก็พูดว่าดีแล้วขอรับท่านหัวหน้าเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านหัวหน้าบับเิลูก็รู้สึกโกรธคาบ์โทเป็นอย่างมากเขาสั่งให้นักรบของเผ่าซึ่งเฝ้ายามอยู่ด้านนอกคุมตัวคาบ์โทไปขังไว้ในคุกของเผ่า คาบาโทยอมเดินตามนักรบของเผ่าไปโดยไม่ได้ร้องวิงวอนขอความเมตตาจากหัวหน้าเผ่าแม้แต่น้อยนอกจากบอกว่าดีแล้วขอรับท่านหัวหน้าวันรุ่งขึ้นท่านหัวหน้าบับเบิลูนก็ออกไปล่าสัตว์เป็นการส่วนตัวโดยไม่มีคารบาโทติดตามไปด้วยอย่างที่เคยแรกๆท่านหัวหน้าก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้มีโอกาสอยู่คนเดียวบ้าง จนเมื่อล่าสัตว์อยู่ครู่ใหญ่แล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียท่านหัวหน้าบั๊บบลูนจึงล้มตัวลงนอนใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อพักเอาแรงสักครู่ขณะนั้นเองก็มีคนป่า ก, กลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีพวกเขาจึงรีบจับตัวท่านหัวหน้าบั๊บบลูนมามัดไว้ด้วยเชือกอย่างแน่นหนาคนป่าคนหนึ่งตะโกนบอกเพื่อนในกลุ่มว่า ตอนนี้เราได้เหยื่อบูชายันชั้นดีให้กัดเทพเจ้าของเราแล้วรีบกลับไปประกอบพิธีกรรมกันเถอะแล้วท่านหัวหน้าบาบบลูนก็ถูกจับตัวไปยังหมู่บ้านคนป่าเพื่อเป็นเหยื่อในพิธีบูชายันโดยไม่อาจขัดขืนได้เลยแม้แต่น้อย เมื่อเหล่าคนป่าจัดเตรียมสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างในพิธีบูชายันเรียบร้อยแล้วคนป่าชายร่างกายกำยำสามคนก็เข้ามาแบกร่างของท่านหัวหน้าบับบลูนที่ถูกมัดด้วยเชือกไปยังลานพิธีทันทีพวกเจ้าจะทำอะไรค่ารู้หรือไม่ว่าค่าคือใครค่าคือหัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่ของภูเขาด้านเหนือนั้นเจ้นะท่านหัวหน้าบับบลูนตะโกนลัน่น แต่เหล่าคนป่าไม่ได้ตระหนกกับคําพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยกลับพูดว่าฮ่าฮ่นี่เจ้าเป็นถึงหัวหน้าของเผ่าแห่งนั้นเชียวหรือช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ที่ได้ตัวเจ้ามาเทพเจ้าของเราจะต้องพอใจแน่ที่เราได้เหยื่อชั้นยอดเช่นนี้มาถวายเอ้าเร็วเข้าพวกเราจุดไฟเผามันเดี๋ยวนี้เลยคนป่าหลายคนถือคบเพลิง กลูกันเข้าไปยังแท่นพิธีหมายจะระดมไฟเพื่อเผาร่างของท่านหัวหน้าบั๊บบลูนให้หมอดเป็นเท่าทุรีโดยเร็วแต่แล้วคนป่าคนหนึ่งก็สังเกตเห็นท่าพันแผลที่พันนิ้วของท่านหัวหน้าอยู่คนป่าคนนั้นจึงร้องขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนพวกเราเราจะเผาเจ้าคนนี้ถวายเทพเจ้าของเราไม่ได้อย่างเด็ดขาดคนป่าทั้งหมดหยุดชะนักแล้วร้องถามเพื่อนตอนอย่างไม่เข้าใจว่า ทำไมเล่าเหยื่อคนนี้ดีที่สุดแล้วถ้าเราถวายดวงวิญญาณของมันให้แก่เทพเจ้าท่านจะต้องประทานโชคดีให้แก่พวกเราอย่างแน่นอนบ้าแล้วเทพเจ้าจะประทานโชคร้ายให้เราต่างหากเล่าเพราะเรามอบดวงวิญญาณมีตําหนิให้แก่ท่านคนป่าคนนั้นว่าพร้อมกับเข้าไปเวยนิ้วของท่านหัวหน้าบั๊บบลุนขึ้นมาแล้วแกะผ้าพันแผลออกให้ทุกคนได้เห็นโดยทั่วกัน ดูสิเจ้าคนนี้มันมีบาดแผลเลือดออกมาก่อนแล้วตามธรรมเนียมของพวกเรานั้นเหยื่อบูชายันจะมีบาดแผลไม่ได้เพราะถือว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่หรือเมื่อเห็นความจริงเช่นนั้นพวกคนป่าจึงจำใจต้องเลิกลมพิธีบูชายันแล้วก็ปล่อยตัวท่านหัวหน้าบาบิลูลกลับไปยังเผ่าของเขาระหว่างทางที่เดินกลับ ท่านหัวหน้าเผ่าบาบิลูลก็คิดทบทวนเรื่องนี้ไปตลอดทางเขานึกถึงคำพูดของคาบาโทที่บอกว่าดีแล้วขอรับท่านหัวหน้าหลังจากที่เห็นมีดบาดนิ้วเขาใช่ละดีจริงอย่างเจ้าคาบาโทว่าเลยทีเดียวหากตัวเราไม่มีบาดแผลมีดบาดในวันนั้นวันนี้เราก็คงถูกเผาตายทั้งเป็นแน่แ่ ดังนั้นเมื่อกลับไปถึงเผ่าของตนแล้วท่านหัวหน้าบาบะลูนจึงให้นักรบประจำเผ่าไปปล่อยตัวคาบาโทมาหาเขาและเมื่อคาบาโทมาถึงท่านหัวหน้าก็เล่าเรื่องที่ตนเพิ่งประสบมาจากในป่าให้คาบาโทฟังแล้วกล่าวต่อว่าที่เจ้าพูดว่าดีในวันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริง เพราะถ้าข้าไม่มีบาทแผลที่นิ้วข้าก็คงตายไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ข้ายังไม่เข้าใจก็คือเมื่อข้าสั่งขังเจ้าเจ้าก็ยังบอกว่าดีอีกแล้วมันดีอย่างไรเล่าคาบัโทยิ้มก่อนจะตอบว่าเรียนท่านหัวหน้าตัวข้านั้นมีความเชื่อส่วนตัวว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นไซ ย, ย่อมดีเสมอ เพียงแต่เราจะคิดว่ามันดีอย่างไรเท่านั้นเองดังที่ข้าบอกว่าดีเมื่อถูกท่านหัวหน้าจับขังก็เช่นกันข้าก็คิดว่าสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมีอะไรดีๆติดตามมาแน่ลองคิดดูเถิดขอรับหากข้าไม่ถูกท่านหัวหน้าสั่งขังข้าก็ต้องติดตามท่านไปล่าสัตว์ด้วยและพวกคนป่าก็คงจับข้าไปบูชายันอีกคนเป็นแน่นี่เองหลักขอรับ ค่าจึงบอกว่าดีเสมอไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามเธอทั้งหลายทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนมีผลสองแง่ต่อชีวิตของเธอนั่นก็คือผลในแง่ดีและผลในแง่ร้ายอยู่ที่ว่าเธอจะมองให้เป็นไปในแง่ไหนถ้าเธออยากมีความสุขความยินดีเธอก็จงมองเรื่องนั้นในแง่ดี แต่ถ้าหากเธออยากจอมจมกับความทุกข์เธอก็จงมองมันในแง่ร้ายทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่เธอต้องเลือกเอาเองหากเธอประสบกับสิ่งใดก็ตามแม้สิ่งนั้นจะทำให้เธอประสบเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัสแต่ก็จงมองหาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ให้เจอและบอกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่ได้พบกับปัญหาเช่นนี้ นี่คือการมองโลกในแง่ดีที่ทำให้เราไม่เกรงกลัวกับปัญหาและอุปสรรคใดๆในชีวิตเพื่อฝึกฝนหัวใจของเราให้แข็งแกร่งและยอมรับเอาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราอันจะส่งผลถึงความสุขความเจริญแก่ชีวิตของเราในภายภาคหน้าได้ Yeah.